ท่านว่าแล้วไปอยู่ถ้ำสาเิกาก็เป็นยาสมุนไพรที่มีอยู่ตามที่ท่านพักเขาก็บอกแล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นไปว่าพระตายสี่องแล้วถ้งนี้เขาจึงถามว่านี่ท่านจะตายองค์ที่ห้าเหรอเขาบอกท่านไม่ฟังท่านบอกให้เขาพาไปส่งขึ้นถ้าสาเรกา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 เป็นก็เป็นตายก็ตายยาที่กรรมนี้เอามาต้มแล้วป่าเข้าป่าเลยทิ้งหมดเข้าไปในถ้ำเลยถ้ำเล็กๆ เ, เราไปดูหมดแหละที่ท่านบอกตรงไหนไปดูที่นี้เวลามันเอาจริงๆมันก็หนักจริงๆหนักก็ฟัดกันเลยทุกขเวทนาเอากันเต็มเหนียว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 ที่ทราสายีสิสองท่านได้หลักเกณฑ์ไม่วันไหวตรงนั้นลหละทั้งๆที่กิเลสมีอยู่นะแต่ว่าหลักธรรมนี้เข้าสู่ใจแล้วไม่วันไหวเลยเชื่อแน่ตอมรทผลนิพพานกล้าหาญตั้งแต่นั้นมาไปได้หลักเกณฑอันใหญ่หลวงที่ท่าสาได้การเมื่อท่านได้เล่าถวายท่านอาจารย์มั่งแล้ว